น้มสัส ก, การค่ะรอาจารย์ ก, ก็อาทิตย์นี้ก็ฝึกเหมือนเดินเวลาเดินนะคะเหมือนรับรู้ได้ดีขึ้นก็คือเวลาลงน้ำหนักก็จะรู้สึกว่าเออมันลงที่เท้าแล้วก็สัมผัสภายนอกก็ดีขึ้นนะคะเหมือนแบบทั้งลมทั้งเสียงอะไรพวกนั้นนะคะจะเห็นเห็นชัดขึ้นเห็นใจ ที่มันนิ่งๆเวลาเดินไงค่ะก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเดินให้มากขึ้นหมายถึงว่าเดินในชีวิตประจําวันนะะ่ะค่ะให้มากขึ้นใะนี่คะมันก็จะเหมือนอย่างถ้าเกิดว่างๆก็จะนั่งเดี๋ยวอ่อแล้วก็มีเดินทางเดินทางก็จะแบบเห็นเห็นใจนิ่งๆเห็นความคิดที่เข้ามาแต่ก็ไม่ไม่ได้อะไรบางทีก็ตามตามไปตามความคิดไปบ้างถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ ที่เกี่ยวกับงานหรือที่ต้องคิดอะก็ตามไปบ้างแล้วก็กลับมาแล้วก็จะเห็นความคิดทันทันบ้างที่มันยังอยู่ในหัวบ้างอะไรก็เห็นแค่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออยังนั่งหลดอยู่นะยังรับสัมผัสกับข้างนอกอยู่อะไรอนยะ่างเงี้ยอื ม, อม เ, วเวลาเวลาเวลาเดินนี่นะเวลาเดินเนี่ยมันรู้สึกแบบ รู้สึกแบบเป็นธรรมชาติหรื อ, อยังก็แต่ตตมันจะหนวกหนวกที่ใจนนหน่อยอะค่ะอาารเหมือนเหมือนรู้ว่าใจประมาณแต่แบบใจ ม, มันเข้าไปไ<ม>ทำํำนี่มันมีสองอย่างนะกายมันทําใจรับผูกูกับใจเข้าไปทําแล้วค่อยรู้สังเกตมันดีดีว่ากายมันทําแล้วใจเข้าไปรู้เนะ่ะตัวอย่างเช่นกายมันทําแล้วใจเข้าไปรู้คืออะไรเช่นเป น, นกับพิษตาปุ๊บแล้เราก็รู้เนี่ยนะและกายมันทํา ใจไม่ทำนะกายมันทําแล้วจใจเคยเข้าไปรู้อันเนี้ยที่เวลาเราเป็นเดินในชีวิตประจำวันนะ่ะเราจะเห็นเห็นได้มากเลยเวลาเดินในชีวิตปรนะจำวันแล้มันกึง่งกึ่งกึ่งรู้กึ่งเผลอกึ่งรู้กึ่งเผลอเนี่ยบางครั้งมันจะรู้ไปเองมันโดยเห็นการเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วจใจเคยรู้ตามเห็นกายมันทําก่อนแล้วใจเคยรู้ตามเห็นกายมันเกิดก่อนแล้วจใจเคยรู้ตามตอบย้ำนิสัยอันนี้มากๆ ให้เห็นว่าไอ้กายมันเกิดก่อนแล้วให้รูตามกายเกิดก่อนแล้วให้รู้ตามกับใจมันนําอ่ะสังเกตใจมันนํำไหมฉันจะเริ่มไปรู้มันเนี่ยฉันเรใจมันนำสองคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมันจะมีความเบาสบายจากกันเนี่ยถ้าใจมันนาเนี่ยมันจะมีการหนักหนักตือตือถ้ากามันนำนะกายมันนํำนะกายมันทําหน้าที่มันไปใจมันรู้ตามเนี่ยมันจะมีความเบาเบาสบายสบายง่ายๆ เน่ง่ายเอ่ทีนี้พอเราหันนั่นกันให้มันคิดก่อนแล้วเราค่อยรู้คิดก่อนแล้วค่อยรู้แต่เราไม่ต้องไปตามมันแค่รู้ไปเฉยๆข้างในแล้วข้างในแค่แค่รู้ว่ามันคิดพอแล้วแค่รู้มคิดพอแล้วแค่รู้มคิดพอแล้วเพื่อให้ตัวสภาวะของตัวรู้ที่อยู่ที่ไม่เข้าไปในความคิดเนี่ยให้มันให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปนะต่อไปมันคิด ปุ๊บเราค่อยรู้ตามมันว่ามันจะคิดยังไงทําอะไรเมื่อไหร่เมื่อภาวะของตัวรู้เราเข้มแข็งแล้วไม่หลงลืมมันทั้งเกต ด, ดูเวลามันคิดขึ้นมาหรือมีอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเราไม่หลงลืมทางกายนะปล่อยมันเลยถ้าเรายังไม่หลงลืมทางกายนี่ปล่อยมันเลยปล่อ ย, ม, ยมันคิดอย่างเช่นมันคิดอยู่แต่เรายังเรารู้การเดินการได้กินการได้เห็นอยู่เนี่ยคือลดเจตนาลงหน่อยหนึ่งทําให้สบายๆง่ายๆ เพราะบางครั้งถ้าเราภาวนามากๆปุ๊บเรามีจิตนาแรงนะพอมันชิดปั๊บเนี่ยก็กลับมาทางกายปุ๊บในความคิดจะขาดหายไปเลยอันนี้ก็เราเออเป็นไหมแบบเนี้ยแล้วมันคิดชิดอูปุ๊บกลับมาอยู่ทางกายปั๊บในความคิดจะขาดหายเลยอันนี้ก็เราสติกับสมาธิมันแรงไปมันแรงไปเอกไม่ได้ทำได้เรียนรู้อะไรแต่มัตสบายนะ เออมันสบายนะแต่จิตยังไม่ฉลาดพอหรอกเพราะจิตยังไม่เกิดเลยก็เลยว่าวิปัสสนายังไม่เกิดมันทําบ่อยเข้าบ่อยเขาเนี่ยมันจะมีกําลังของสติกับสมาธิเนี่ยไปตัดอารมณ์บ่อยๆตัดอารมณ์บ่อยๆแต่เราจะสบายแต่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเวลาเวลาสติสมาธิอ่อนเมื่อไรหร่ปุ๊บไอ้พวกนี้จะขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยแล้วเราไม่รู้พอเขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้กระบวนการหรือวิธีการจัดการเขา หรือกระบวนการวิธีการในการศึกษาเขาไม่ใช่จัดการเราจะไม่รู้จักกระบวนการวิธีการศึกษาเขาอะเขาเกิดขึ้นมาเขาต้องลงอยู่แล้วก็หายไปคือความความชานาญในการเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะไม่เคยเกิดไม่เคยแล้วเมื่อไม่เคยเกิดปุ๊บเนี่ยเวลาเเกิดมาครั้งต่อไปแบบฟังสงสัยเราจะไม่หายมันจะไม่เพราะยังยังรู้ไม่เป็นยังดูไม่เป็นยังศึกษาไม่เป็น แต่แต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขานะเช่นให้เขาเกิดไปแต่ในเวลาเดียวกันพว ก, กเราก็อยู่กับอยู่กับร่างกายแบบสบายๆง่ายๆเช่นให้เขาเคลื่อนไหวเหมือนเดิมก็าิดตาเหมือนเดิมหายใจเหมือนเดิมแต่ใจเขายังคิดอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ภาวะของตัวรู้ที่ยเขา ร, รู้รู้ข้างนี้ด้วยแล้วก็คอยเห็นอีกข้างนั้นกําลังคิดอยู่ด้วยกาลังมีอารมณ์อยู่ด้วยแต่เขาไม่ทิ้งข้างนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกที่มันรู้เฉยๆทั้งสองฝั่งฝัง ให้สองภาคฝั่งเนี่ยทํางานของมันเองกัแล้วให้มันสลายตัวมันเองโดยเราไม่ต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่สบายๆมากเลยเข้าใจไ้ยตรงเนี้ ย, เ, ยเห็นภาพไหมย ด, ด็กๆไปออกอ เ, เห็นภาพภรับาจารย์แต่ ม, มันมันจะเหลือมกันนิดนึงระหว่างเอ อ, เ อ, อ ใช่ค่ะเหมือนแบบว่ารู้ก่อนกับตามรู้มันจะแบบก็น อ, อนี่แหละนี่แหละเออใช่หให้หัดตามรู้น ะ, ะ ใ, ให้หัดตามรู้ให้ให้สิ่งนั้นเขาเกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้เกิดก่อนเราค่อยรู้เพราะจริงจริงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราหัดมันตั้งแต่ต้นแล้วแหละไอ้ที่เราฝึกว่าให้ได้ยินเสียงก่อนแล้วค่อยกดจะเห็นก่อนแล้วค่อยกดจะกินก่อนแล้วค่อยกด ให้กายกับพริบตาก่อนเสื่อมไว้ก่อนแล้วค่อยกดอันเนี้เราหัดปฏิเสธตนแล้วเขาคิดก่อนแล้วเราค่อยกดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแต่เราไม่เอามาใช้กันนะถ้าพอพอเราเราลดการกดมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เองรู้ตามรู้ตามเป็นอย่างนี้ไม่ใช่รู้นําถ้ารู้นำเนี่ยคือรู้ยังไงรู้นําเนี่ฉันจะยินเสียงหรือยังหรือฉันต้องการจะฟังเสียงหรือฉันต้อต้องดูภาพอะไรเนี่ย ภาอะไรจะเกิดขึ้นฉันต้องการจะดูภาพอย่างเงี้ยคือฉันต้องการเคยต้องการจะดมกลิ่นต้องการจะดมกลิ่นมากแค่ไจิตมันจะไปตั้งท่าก่อนจะดมกลิ่นอ่ะไม่กลิ่นกดไม่ให้กิตเกิดขึ้นก่อนร่างกายเหมือนกันเวลาจะจะสร้างจังหวะหรือจะเดินตกงๆเราจะสังเกตดูมันจะตั้งท่าก่อนหลังท่าสร้างจังหวะก่อนหรือพยายามจะรู้ก่อนก่อนเคลื่อนไหวก่อนเคลื่อนไหวก่อนเคลื่อนไหวจริงๆพื้นฐานของพวกเราที่หายไปเป็นตือต้นมันเป็นพื้นฐานดีอยู่แล้ว พื้นฐานในการให้สิ่งต่ตงางๆเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนแล้วรู้ตามนี่จะเป็นธรรมชาติโดยตรงอือแล้วที่จะมาบอกให้ให้ลดตัวกดลงอะ่ะเพื่อเติมการรู้ตามแบบนี้ให้มันมากขึ้ น, นให้มันกิ่งแก่ขึ้นให้มันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วต่อไปไอ้ตัวรู้ตัวรู้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําของของสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเกิดขึ้นฉันไม่ได้ติดกระทาอะไรมันนะมันเกิดขึ้นมาเองนะ มันดำรงอยู่เองนะมันหายเองนะไม่ติดเกี่ยวกับฉันนะฉันแค่เป็นคนแค่รู้บันเฉยงนะไอตัวภาวะนี่ยจะเป็นภาวะของมีสติมีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาแล้วก็จะปัญญามันจ ะ, จะเริ่มค่อยๆจะปัญญามันจ ะ, จะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นจากภาวะตรงนี้นะค่ะอืมเป็นกระบวนการที่สามคือกระบวนการในการมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเราไล่ตามเราสเต็ปมาเนะี่ย สเต็ปหนึ่งและสองเนี่ยมันเริ่มพู้ฐานจากตรงนี้แล้วแต่เราขยับว่าให้ตัวนี้มีโอกาสมากขึ้นเวลาอะไรเกิดขึ้นมาพุ๊เราก็แค่รู้ทั้งสองาคกว้างเป็นธรรมดาธรรมดาของมันโดยไม่เข้าไปแทรกแทงเติมอูเบีขาไปเยอะๆแต่ไม่ใช่ซื้อบื้อนะอนเบี้ยขาดเพียงเปิดใจยอมรับกำลังเรียนรู้มันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปแค่นั้นเองอลดการแทรกแทงกลดการจัดการลง เขาจะเกิดก็เกิดเขาจะหายก็ห า, หายยิ่งเขาไม่เจ็บเท่บเราอย่างนี้นะมีอะไรอีกไหมอ๋อพอดีว่าเหมือนตอนปัฏุบตัติตอนกลางคืนนะคะอาจารย์มันคือเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเออเริ่มเพลินนะคะพอเพลินแล้วความง่วงก็เห็นว่าความง่วงเข้ามาก็ปล่อยปล่อยความง่วงไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออมันหายเองแล้วพอมันหายมันก็หายไป ความันก็กลายเป็นความตื่นขึ้นมาไงค่ะพันธนั่นคือโดยที่เราไม่ได้ไปแบบฝึกออกหรืออะไรโดยเหมือนกับว่าร่างกายมันมันไปอัตโนมัติของมันเองอะค่ะอันนี้อันนี้คือฝึกมันมันเป็นธรรมชาติของมันไหมคะหมายถึงว่าอ๋อมันเป็นการยอมรับของมันหรือเปล่าอันนี้อืมอันเนี้ยมันเป็นการที่ว่ามีความโง่อยู่ แต่ใจเนี่ยเมื่อก่อนมีความง่วงปุ๊บเราก็จะมีการอยากนอนบ้างมีความอึดอัดบ้างมีความขัดเกลือนถ้าเราไม่ได้ไปนอนเราใจอึดอัดขัดเครื่องปฏิเสธดิ้นรนใช่ไหมต่อสู้ใช่ไหมก่อนหรือไม่ก็สมยอมไปเลยนอนหลับไปเลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันใหญ่ตัวรู้ที่เราฝึกมาเรื่อยๆปุ๊บตัวรู้เราเริ่มเข้มแข็งในการรับรู้มันซื่อง่วงคือง่วงแต่ฉันยังไม่ได้ไปนอนมันเฉยๆแต่ฉันก็ลองทําไปเรื่อยๆง่วงก็คึง่วงไป กำลังภาวนาอยู่ก็ภาวนาไปทั้งที่ง่วงด้วยทั้งที่ภาวนาอยู่ด้วยแต่จิตเนี่ยมันมันชนานาญในการที่จะรู้ออกจากความง่วงโดยอัตโนมัติเท่ามันเองและเพราะมันสนใจเรื่องภาวนาต่อพอทาสะพักหนึ่งสะพักหนึ่งมันสนใจตจะเคลื่อนไหวมากเข้ามาเข้าปเดี๋ยวมก็หลุดออกจากง่วงเองเลยเพราะความง่วงเรื่องไม่มีกําลังออกกำลัมันแล้วกลางคืนหลับไหมหลับค่ะตอนนี้หลับแลับหลับเยอะโอเค มันช่วงถ้ามันตื่นมากอาจจะไม่ได้นอนหลับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันตื่นมากแล้วไม่หลับไปเป็นไรนะเพราะว่าการการไม่หลับแต่มันรู้เนี่ยกับการไม่หลับกับคิดเนี่ยมันจะคนละอยางกันภาวะมันจะคนระยางกันการไม่หลับแล้วก็คิดไปด้วยคิดไปด้วยแล้วก็ไม่นอนหลับด้วยเนี่ยมันจะพลียตื่นมามันจะโหยแต่ไม่หลับแล้วยังมีการรู้อยู่เรื่อย รู้พิกตัวบ้างรู้หายใจบ้างรู้อะไรบ้างแต่มันมันนอนอยู่แต่มันรู้อยู่ตื่นขึ้นมามนมปุมันจะไม่เพลียมันจะมาสดชื่นองมันเองเลยไม่มีปัญหาดีมากาค่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆนะ่ะมันเริ่มดีกันละจิตมันเริ่มจิตมันเริ่มเข้าสู่ภาวะอังการที่จะเริ่มเข้ามาเป็นตัวการตื่นรู้ตื่นรู้สู่การเรียนรู้ได้ดีขึ้นทุกๆุกสภาวะต่อไปอ่ะ หัดเรียนรู้แบบความง่วงนั่นแหละไม่ใช่สมยอมกับความวง่วงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความวง่วงแต่ก็ยังอยู่กับพฤติกรรมที่เราทําอยู่ได้เรื่อยๆอันเดียวก็จะหายไปเค่อยๆไปเดี๋ยวเขาเข้มแข็งเมื่อไหรุ่๊กเขาจะค่อยๆสาวถึงสาเหตุเองครับเพราะมันมันดีมันมีความคิดชนิดหนึ่งความคิดที่มันมันค้างคาในใจแล้วมันจะเป็นความคิดที่ว่ามันจะตอบปัญหาเองเออเรื่องนี้เกิดออยังไงวะ เดี๋ยวมันจะฉายกระบวนการของการเกิดทั้งหมดให้มันคล่องใจไปอย่างนั้นแหละไปก่อนม้ำสะสมความคล่องใจมากเข้ามากเข้ามากเข้าเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บมันจะขี้คลายแบบนี้เลยเมื่อกำลังมันพร้อมความสูงตื่นมันพร้อมความกําลังมันเต็มที่ปุ๊บี้ยมันจะฉายให้เราเห็นเองอ๋อมันมาอย่างนี้เองนะหายไปอย่างนี้เองนะอันนี้คือต้องรอเวลาหน่อยการรอเวลาต้องสร้างเหตุสร้างเหตุเป็การตื่นตื่นรู้แบบเบื้องขาเนี่ยมากขึ้น นะเข้าใจหลักการในการรู้ตามแล้วนะค่ะค่ะเออเราซ้อมมาแล้วนั่นแหละที่เราซ้อมกันมาทั้งหมดกันแหละที่ว่าอะไรเกิดก่อนแล้วให้รู้เกิดก่อนแล้วให้รู้เกิดก่อนแล้วไปรู้เนี่ยก็ได้เป็นการรู้ตามาอันเนี้มันจะทําให้จิตเราไม่หนักต่อการเข้าไปกระทำํำเราก็ไปรู้ว่าเราเขาไปทําเป็นยังไงเรารู้ตามเป็นยังไงเราเห็นหลักการเจอเมื่อก่อนที่เราฝึกฝนใหม่ๆเราจะเข้าไปเพ่งเข้าไปควานหา เอาไปดักรูม้มากเข้าไปยามรูม้มากไอ้พวกนี้ยมันมันเป็นการรู้นําแต่ตอนเนี้ยเราให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนรู้ตามค่งทีมพลิกที่เดียวนั้นแหละจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆทาไปนะเอเอค่อยๆทาไปเออเริ่มดีขึ้นแล้วอันใครออมีใครยังไม่ได้รายงาน ก, การราการจะขับอาจารย์เออ เป็นยงไรูร้สพัฒนาดีขึ้นมากนะคะไพราะว่า ร, รู้ตาเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้นําแล้วจ่ะค่ะตอนเนี้จะจ่ ะ, ะให้มันเกิดอ่อนแล้วก็รู้ตามเออเมื่อก่อนเนี่ยนำเยอะเมื่อเมื่อตอนตอนเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งแต่ต้ น, ต, นต้นเดือนที่สองเนี่ยจ่ะค่ะจะรู้นําเยอะ แหมเราไปจ้องรู้ก่อนแล้วก็มันมันมันมันไม่ใช่ดูตามเลคะคือแอบจ้องอีก่อนแต่ตอนนี้จะดูตามจะคิดว่าคิดว่ามันดีขึ้นจริงจริกับค่ะแล้วก็อความวันไววทางทางจิตใจเนี่ยมันมันดีกว่าเมื่อก่อนนะจ๊ะค่ะจริงๆแล้วอ่ะคื อ, ค, อคือโยมก็เขียนนี้แล้วจะคะโยมโยมเป็นคนกลัวจิ้งจบเจ้าพระพจั ปรากฏว่าเที่ยวนี้ยโยก็ไปปฏิบัติธรรมให้แม้ยจงค่ะเพราะว่าโยไม่กล้าไปไปบา้าเหมือนน้องเขาหรอกโยก็เลยเออปลีกเว่ยไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยแล้วโยก็เข้าไปตอนในในห้องแล้วมันมีท <s> ี่จรโผล่อย่างเงี้ยค่ะโยก็ไม่รู้ไม่ชี <c> ้ <oughs> <g iggle> ก็ดูมันเฉยๆอย่างนั้นอะ <S <s แล้วก็แล้วก็ไม่ <S <s ไม่ไม่ว่าอะไรแต่ปกติที่จะกลัวมากแต่เที่ยวนี้ก็นอน นอนหลับสบายอะเจ้าค่ะแต่ทีนีม้มีอีกต่อมาก็ไม่กี่วันเนี้ก็มีจิ้งขณะที่นั่งทานข้าวกันอยู่เนี่ยเจ้าค่ะน้องคนนั่งข้างหลังเนี่ยเขาไม่ทราบดิงไงจิ้งโจยตกมาจากพดานแล้วก็มันก็ไต่หลังเขาอะเจ้าค่ะเขาก็ร้องกรีดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรโอ๊ยตกใจนี่ทำไมถึงร้องเ อ, อ้าหาไปดูดีแทสจิโดกระโดดกระโดดมาัาตรงที่โยมันค่ะ แล้วก็มาเกาะที่ที่กระเป๋าโยมเออปกติแล้วโยมตกใจมเ่ยเออวันนั้นไม่ทราบเป็นไงดูมันเฉยเฉยอุ้ยมันเกาะที่กระเป๋าเราเราก็ยหยิบกระเป๋ามาสลัลดๆโดยที่ไม่ร้องเลยอืมรู้สึก่ิตมันิดเ ย, ยนเยอ ะ, ะ, ะแล้วค่ะ อ, อะไรนะเก่อนี่ไม่ได้เก่อนนี่ไม่ได้เลยเม <laughs> ื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยแต่แต่ก็ยังกลัวอยู่นะ้ยคะไม่ไม่ไมทราบจะทําไง จะให้มันหายกลัวเจ้าค่ะแต่ก็ท <ำ S 1> ําใจสู้พระอาจารย์ใจสู้ ม, มากเลยอ่ะดีขึ้นเยอะเจ้จาค่ะแล้วก็ดูมันเคยอ้าวแล้วก็กินข้าวไปคุณสลัดแล้วเจ้าค่ะมันก็ยังมันก็ยังอยู่ตรงตรงที่พื้นห่างกันเราสักสักฟุตครึ่งอะไรเงี้ยโยมอะใจดีผู้เสื่อโยอทานข้าวต่อไปเงี้ยมันก็ไม่ยอมก็หันหนันมาเอ๊ะจิใจเราก็นิ่งนะเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัวแบบก่อนเนี้ย เออก็ไม่ทราว่ามันเกี่ยวกันกับการที่เราปฏิบัติแล้วแล้วรู้อย่างี้หรือเปล่าว่าจะผ่านแต่มันต้องแปลี่ยนนะจริงจริงเนี่เดี๋ยววันนี้จะริงจริงรับจริงจบตัวจริงจบไม่ใช่ตัวปัญหาจริงจบไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกตัวปัญหากือตัวอารมณ์กลัวต่างหากทีนี้พออารมณ์อะไรเลื่ออารมณ์กลัวต่างหากไอ้ตัวจริงจบไม่ใช่ตัวปัญหาจริงจบไปแก้ นอกเฉยๆแค่รูมๆหนึ่งมนกระทบแา่อารมณ์โวยต่างหาเป็นตัวปัญหาทนี้เริ่มคุ้นชินกับอารมณ์กลัวแล้วไม่ยอมทําตามอารมณ์กลัวแบบฝึกรู้อารมณ์กลัวอย่างที่อารมณ์กลัวมันเป็นแต่ฉันไม่ได้เป็นด้วยนั่นแหละมันเลยทําให้ภาวะของตัวตัวภาวะของตัวรู้เราเนี่ยเรื่องออกจากอารมณ์กลัวแต่รู้อารมณ์กลัวไม่จ้องให้อารมณ์กลัวมันหายมันจับห้ยทึ่ง ไม่หายก็ช่างมันแต่ใจฉันไม่เข้าไปร่วมเมือ่อก่อนัเมื่อก่อนก็ดูเมื่อก่อนที่ไม่ได้ฝึกนะพออารมณ์คู่เกิดขึ้นใจฉันจะเข้าไปร่วมพอใจฉันเข้าไปร่วมก็กายจกรรมวจีกรรมมันก็เลยทาตามทันทีเลยก ร, รมมีดร้องออกมาโวยไว้ออกมาหวั่นมาทันทีเลยเจ้ า, าค่ะเจ้าค่ะคุณครอบไอ้ไอ้ใจมันไม่ได้ออกมามาเห็นอารมณ์ แต่ตอนเนี้เราฝึกปล่อยเท่าตั้งแต่เราฝึกรู้ตามมาเรื่อยๆเติรตามมาเรื่อยๆา<ด>าฝึกมาเรื่อยๆคุณเนี่ยมันจะเริ่มมีอารมณ์กับตัวรู้แยกออกมาจากอารมณ์แหละหการฝึกฝนการฝึกตัวรู้ออกมาแยกออกมาจากอารมณ์เรื่อยๆเรื่อยๆรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆแล้วเวลาเรื่องยิ่งเราฝึกฝืนยิ่ยงนสนุกไปอีก ย, ยิ่งฝึกฝืนนะมีอารมณ์อยู่แต่ฉันฝืนไม่ทำตามเนี่ยมันทําให้ภาวะของตัวรู้ที่ออกจากอารมณ์เรื่องมเข้มแข็งขึ้นอ๋อจะค่ะ อ, อ, อารมณ์ใจไม่เข้าไปจัดการใจไม่เข้าไปทําอะไรใจกับเข้าไปรู้เฉยๆอันนี้คือภาวะของตัวรู้รที่ปกติตัวรู้ที่เป็นเด็กเฉยๆตามที่สิ่งจ่างเป็นแต่ไม่เข้าไปแทรกแทงแาะจัดการแ ต, แ, แต่แต่โยมก็ยังกลัวอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่แ ต, แต่ว่ามันไม่หวาดแบบเมืแ่อบบก่อนเนี้ยไม่กระตุกเป็นสากอะไรแบบนี้ยค่ะ มันแค่เป็นอารมณ์กลัวเฉยๆแต่ใจมันเห็นอารมณ์กลัวไม่ใจไม่ได้เข้าไปร่วมอารมณ์กลัว ค, คือสังเกตเองเมื่อก่อเป็นตัวปั๊บเนี่ยมันไม่มีใจเห็นอารมณ์กลัวหรอกเข้าไปร่วมหมดเลยลืมก<ช>ลัวไปเลยใช่เช่จ้ะคะใช่เรามีการฝึกตัวนี้มากเข้ามาเข้ามาเข้าบริเวใจมันเริ่มแยกออกเป็นิงนจงเป็นชิ้นจงแล้วยิ่งฝึกอย่างนี้บ่อยๆุ๊บพอเห็นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นด้จิตมันกลัวยังไง เห็นจิ้งจกพัดเนี่ยคือตายหมดแล้วแล้วเห็นจริเป็นกลัวยังไงนี่ตัวรู้ที่มันรู้ตั้งเห็นจิ้งจบรู้ตั้งแล้วเกลัวกาลังเกิดขึ้นมันมันต้องไม่ไดไปติดอารมกลัวไม่ได้เกิดอารมณ์กลัวแต่ไม่สมยอมไปกับอารมณ์กลัวที่เชื่อจะเดี๋ยวสักพักม่ไปอันเนี้ยเราเลยก็ะยอมรับตัวไอ้ตัวรู้ตรงนี้ยให้มันขึ้นขึ้นเรื่อยเจ้าค่ะต่อไปเนี่ย เติมเปิดใจยอมรับทุกเรื่องราวให้มันเกิดขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเปิดใจยอมรับมันแต่เราละเราเราดูได้ของอารมณ์ตัวนี้ไปบ่อยฐานตัวให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้รู้เกิดก่อนแล้วค่อยรู้ผ่านอารมณ์เนี้ยที่มันไม่ที่เราไม่ได้ใช้การกดแต่เราใช้การรู้เป็นหลักท้านเอาเขาเกิดก่อนไป่ไดเลยตอนนี้ที่เราลดการกดมันดีแก เราลดการฝกติเพราอเราจะเริ่มฝึกมารจัดเรื่องต้นเลยว่าให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้มันจะสบายสบายแล้วง่ายๆแล้วต่อไปเราจะไม่เป็นเสียอารมณ์เพราะหน้าที่ของตัวรู้เนี่ยเขาจะรู้หลังอารมณ์ตลอดเจ้าค่ะแต่ว่าไอ้ตัวตัตัว เ, เองเนี่ยที่หลักหลังจากรู้แล้วมันจะเข้าไปจัดการอารมณ์ไอ้ตัวนี้เนี่ยเราต้องเติมอุเบกขารู้เอย่างเงี้ ใจเย็ น, น, น, น, นใจยอมรับมันแล้วดูซิมันจะหายเป็นเมื่อไรทําใจคล่องๆ ว, า ม, วามันมาไอันเนี้ยทาให้จิตเราเริ่มนิ่งขึ้นเจ้าค่ะหลายหลายอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารยแปลงแปกใจตัวเองการดของก็ที่ที่ที่เล่าอเรนี้เ่ยพระรอาารยคือคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยน้องคนหนึ่งเขาก็ปวดหลังใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วก็โยมคนหนึ่ง เ, เขาก็จูงน้องคนนี้ยมาทั้งหมดทันนี้พอเสร็จแล้วมันก็หมดเวลาพอดีหมายถึงหมดเวลาเดินก็คือเขาแอบมาโนดกันทันนี้โยมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาอ่ะแล้วก็บอกเออช่วยช่วยช่วยโนดให้นิดนึงเถค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ้าวพวกกับเดินหำไปเฉยเลยพระอาจารย์ตาตั้งเหลี้ยวมองเราเราก็บอกโอ้ยแต่ใจโยมเนี่ยเฉยมากอะเจ้าค่ะ เมื่อก่อนพงเคยสงสัยเอ๊ะทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้คือคือโยมจะจะจะถามตัวเองอยู่เรื่อยทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันใจยอมรับว่าอ๋อเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเองอะไรเงี้ยเจ้าค่ะใจโยมไม่เฉยเลยนะเจ้าค่ะไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปอะไรรู้สึกอะไรกับเขาแต่เราเราีเองแหละเราไม่ได้ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาสักหน่อย แต่ว่าเราเราเราพูดผิดเวลาผิดโอกาสของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเราเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดเองไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขาที่ทําอย่างเราอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนที่จะเฮ้อทำไมเขาเป็นอนี้ทาไมคนนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่โยมแปลกอย่างยังไงจะขาดพระอาจารย์คือนานมาแล้วอาจจะขาดสักประมาณสิบกว่าปีมาแล้วอะโยมโยมไปปฏิบาททาัติธรรมแล้วนะคะแบบของรูปปวปู่ชพรอาทิตย์หนึ่งอะ โยมก็กลับมาเสร็จแล้วก็คือก่อนหน้านั้นอีกทีนไค่ะโยมจะมีความรู้สึกว่าแค่ความคําพูดของคนอื่นไปหมดเลยอะ่ะใครเขาจะตําหนิเล่าอะไรเงี้ยนะจ๊นะรัโยมก็จะมานั่งกลุ้มใจว่ามาถึงเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้คือโยมก็พับพูดอย่างเงี้ยเสมอแล้วก็โยกมก็กลุ้มใจอย่างเงี้ยค่ะแต่เออตอนหลังพอ พอกลับมาจากปฏิบัติธรรมเที่ยวน่ะนะพีจาง ก, กลับมาโยกก็แปลกไหคะโยคือใครจะตําหนิติเตียนอะไรเราเนี่ยเราก็มักจะมาคิดใหม่ว่า ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงเลอที่เขาพูดอะ่ะถ้าเป็นจริงเราก็ยอมรับตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นขนาดเนี้นะจ๊ะคะแต่ว่าถ้าเผือมันไม่ไม่เป็นจริง เราก็อปรับปรุงตัวเอ้ยถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเราก็ปรับปรุงตัวเองนั้นหลังจากนั้นนโยมดีขึ้นแต่ว่ามาฝึกกับพระอาจารย์เนี่ยโยมรู้สึกเลยว่าใจโยมง่าย <ไง S 1> ขึ้นเฉยขึ้นนะคะเจ้าค่ะเฉยขึ้นยอมรับยอมรับอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างที่พระอาจารย์บอกน้องเมื่อกี้เจ้าค่ะเราก็<ม>เออเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกน้องนี่โยมก็รู้สึกนะว่าโยม โยกเฉยขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรแต่ทีนี้ตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์อะไรมาที่ทาให้เรากวนกวนอารมณ์เราหกันโยกก็กลักจัดการอยู่ว่าเจ้าค่ะพระจักรคิตลอดมั้นะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอบค่้มีให้เราสร้างปฏิบัติีตัวเราเองมันเกี่ยวกันเหรอเจ้าค่ะะแป มันเกี่ยวกันเหรอเจ้าคะที่ที่มีอะไรกระทบสอบเราอย่างเงี้ยทุกมันรู้สึกมันแรงขึ้นนะเจ้าขาพชรเ อ, อ้ยเป็นใช่เลยแล้วทุกอย่างเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นแน่แต่เราไม่เคยรู้มันแต่พอช่วงหลังเราผึกเข้าหรเห็นขึ้นมันตัว เ, เองเจ้าออคะจริงจริงไม่ใช่นไรหรอมันเป็นการทำให้เราความสร้างการยอมรับ ถ้าในความควารับมากเรื่องเรียนรู้มากขึเราจะเข้าใจทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องราวของเราทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเรื่องของผมมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราไปเรื่องหรือเอาเป็นเรื่องของลวกเอาเป็นเรื่องของเราเลยอุ่วายเจ้าค่ะติดติดติดสารไปดูไปเรื่องเจ้าค่ะเห็นแหวนไปเรื่อยห็นทุบต้งตุ้งไปเรือยนัเกิดขึ้นเรา ไห้ไปเข้ามันเห็นองค์ประกอบของมันเรื่อยๆโดยการฝึกฝึกรู้แบบเนี้ยให้มันเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนแล้วรู้แจ้งเกิดก่อนตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซ้อมจิตให้มัเพราะไอาการเกิดก่อนแล้วรู้ตามจิตเป็นเชืเรื่องยอมรับความจริงทุกสิ่งต้องเกิดมันมีแค่หน้าที่รู้เท่านั้นอมึงอย่าไปยุ่งเหมือนเก่าเจ้าพันก่อนปัญหามันนาหน้า รู้แล้วต้องจัดการด้แล้วต้องจัดการด้วยต้องเอาด้วยแต้องไม่เอาแต่เดี๋นี้มันอยู่ตรงนั้รู้แลที่แต่เรียนร่วมมันมายังไงมันเป็นยังไงแล้วหายไปไหนแล้วโยมสัสายอย่างนเหรพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยให้เราสังเกตใช่ไหมเจ้าคะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็ดําเนินอยู่ตั้งอยู่แล้วมันหายไปเนี่ยพระอาจารย์ ตอนหายไปยายโยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเลยน ะ, ะคะคือเราต้องสังเกตนะเน จ, จ้าค่ะว่าว่าสถานการณ์เออมันจบแล้วอะไรแบเนี้ยอืหรื อ, อยังไงเจ้าค่ะอาจาได้แค่ไหนใช่ไหมก่อนทุกเรื่องน ะ, ะ, นะมันเกิเดกเร็วกว่หายหร้อบางเช้าบ้างแต่ได้แค่ไหนเอาใช่ไหมใจขอจให้จใจ<ห>เราใจเราบอกมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราหนอยมันเป็นของชั่วคราอ ดูไปบ่อยเร้าต่อไปใจจะไม่ค่อยจะถือสารไดเรื่องราวันเป็นเรื่องดีเรื่องดจขนามนั้นมันมาเรียมก็ไปดูไปเรื่อยเออดูไปเรื่อยทันเค่ไหนแค่นั้นทันชนไหนเ่นั้นแต่พื้นฐานพื้นฐานของจิตในการฝึกตัวรู้เนี่ยต้องฝึกไอ้พื้นฐานให้ดีๆเจ้าค่ะเป็นการคือพื้นๆนี่แหละที่เราฝึกอยู่นี่แหละคือฝึกอยู่หลยก่อนที่ทุกอย่างเกิดเราลุกตาเกิดเารู้ตา พยายามทำให้เป็นทําให้สติสมาธิแล้วก็อุเบกขาสติสมาธิปัญญาปัญญากับอุเบกขาเป็นตัวเดียวกันเปิดใจยอมรับมันเรียนรู้มันเออเรียนรู้มันทำความเข้าใจกับมันเมื่อเข้าใจมันแล้วต่อไปมันจะมาอีกร้อยครั้งพันคนก็ตามผุ๊มันก็จะมาแบบเดิมอ่ะแต่ฉันเข้าใจแล้วฉันก็ยุ่งก็ได้ถึงฉันยุ่ง ก็ยุ่งในส่วนที่ฉันควรยุ่งไอ้ส่วนไหนที่ไม่ควรยู่ฉันกไมยู่งปรมาณเออดกมันจะเริ่มงขึ้นดีดีแล้วนี่ก้าวหน้าือขึ้นเยอะนีากาศเู้ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะดีขึ้นเยอะเลยกาสังเกตดูยังมีใครมเนี่ยเหลือใครบ้างกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เน่มึกนามีอะไรเปล่าเอ็มแล้วฮะหอดวอญญาณกลุ่มนี้อ่านะมันมีใครจะถามอีกไหมไหมใครอยากจะถามอะไรบ้างไหมมีไหมมีไหม ปรการเจ้าค่ะอีกอีกอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง อ, อีกอีกข้อนึงจะที่พระอาจารย์คือโยมทราบจากน้องนุชเขาว่าเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าอ่าให้งดประกรรมการรมมนโนกรรมในในในรอบสามนี้ใช่ไหมเจาา้าค่ะเท่านี้โยมโดนมดไม่ได้ไอ่ะแอนมโนกรรมเนี่ยเจ้าค่ะมันจะต้องคิดอ่ะทําไงเจาา้าค่ะ มันมันมันมันต้องรีบรู้สึกตัวไงเจ้าพระพเจ้าว่าลดมโนกรรมนี่หมายความว่าอะไรลดมโนกรมมรมเนี่ลดการแทรกแซงลด<อ>การจัดงานไม่ใช่ลดความอิ่มเอ อ, อไม่ใช่ลดความที่เขยจะคิดเหมือนเดิมแต่ลดการแทรกแซงลดการจัดการเ<อ>ติเมตการเ <มา S 2> รียนรู้ในตอนวิสัชน์เอ อ, เ อ, อไม่ได้เป็นลดการเรียนรู้เติมการเรียนรู้ยังไงเจ้าพระพเจ้า เติมการเรียนรู้เรียนรู้ตามที่มันเปิดเอาอย่างนี้การแทรกแซงลดการจัดการเติมการยอมรับแล้วก็เพิ่มการเรียนรู้ตามยอมรับเขาเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เรียนรู้เข้าไปด้วยพอเขาเกิดขึ้นเขาความโปรดเป็นอย่างนี้นะความชอบเป็นอย่างนี้นะความอยากเป็นอย่างนี้นะความคิดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หายไปอย่างนี้นะเอาแค่นี้ก่อนเรียนรู้เขา มีอยู่เรียนรู้เขาหายไปเรียนรู้เขามีอยู่เรียนรู้ก็หายไปก่อนแล้วค่อยๆพอมันมีกําลังแล้วคือยๆแบบเอ อ, อ, อมันเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวปล่อยๆเข่ากําลังในการาาาตามสาวหาสาเหตุว่ามันมายังไงไอ้ความคิดเนี่ยมันจะค่อยมีขึ้นนะแต่ถ้าเรายังกําลังไม่พอนนะเราจะเข้าไปคิดหาเหตุหาผลแล้วแต่ถ้าเป็นคําตอบที่อาว่าต้องตัวรู้จริงๆนะมันแค่กับพริบตาเดียวเข้าใจหมด เออมันมีมันอยู่แค่กับพริบตาเดียวเข้าใจหมดโยมมันโยมโยมแดงเคยเคยเข้าใจอย่างนี้บางครั้งโยมแดงเคยสงสัยบางเรื่องไหมเนี้ยปัญหาเรื่องนี้แก่อย่างเนาะแล้วบางทีเราเดินจงกรมหรือเราทำงานอะไรเขาเพลินเพลินปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งมันจะใจเดินใจอ๋อนี่ไงปัญหานี้ต้องทําอย่างนี้ปุ๊บแค่ว่ากับพริบตาเดียวตัวเองเข้าใจปัญหานั้นหมดเคยไหมอ๋อคือคือ มันมันขึออ้นปุ๊บเลยใช่ไหมจ๊ะคะเออกลัวภาวะนั่นแหละไ อ, อ้ที่ถ้าเราเปิดเราเติมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะเติมการเติมการยอมรับมันเพิ่มการเรียนรู้มันแต่พักหนึ่งบ่อยเข้าบ่เข้าปุ๊บเดี๋ยวพอมันเข้าใจตรวจมายังไงปั๊บเนี่ยมันจะมีคําตอบ่วดเดียวจบโดยเราไม่เห็นเร็วยิ่ป่าฟ้าแลบนี่คือเรว่าเรียนรู้แบบเจโตเจโตนี่ยแบมันเหมือนกับเราลื่นตาปั๊บมาเห็นทั้งทีเลย ตอนนี้แต่ว่าบางช่วงมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเราแค่ว่าเออเปิดใจยอมรั บ, บลดการแทรกแซงลดการจัดการเปิดการยอ ม, มเออเติมการเรียนรู้ไปเรื่อยเมื่อตุดเราเรียนรู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ให้ไปมันเกิดขึ้นสร้างอยู่หไปเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไนเรียนรู้แค่นี้ก่อนเจ้าค่ะเรื่องั้นต้นก่อนรื่อาดกำลังของสติสมาธิและปัญญา มันเต็มรอบเรื่องในกาลังรอบพวกแบบเดี๋ยวมันจะแค่เร็ววิ่งกว่าฟ้าแลบปั๊บเดียวอธิบายเข้าใจหมดอ๊ะแต่ เ, เรื่องอย่างที่ ท, ที่ที่เกิดกับโยมอั น, นี้ใช่ไหมนี่ทนคราอาจารยก็คืออย่างเช่นที่นิจโยมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ่อคนเนี้เขานวดให้น้องแล้วโยมไปขอให้คนนวดให้แล้วเขาเบิร์นเฉยแบบเนี้ยแล้วโยมก็รู้สึกปุ๊บมันหายไป่ะมันไม่ได้ที่โกรธเขามันไม่ได้ มันน่าจะคิดว่าเออเขาถึงม่แบบเนี้ย่เงี้ยเจ้าค่ะมันหยุดเองมันกึกอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะแบบเอออันนี้ก็อันหนึ่งแต่ว่ามันยังเป็นแบบแบบอย่างหยาบๆอยู่มันยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุจริงๆอะไรมึกซึแต่มันมันก็เป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งของมันอเออมเป็นเพราะอะ่รกันแหละเออมันเป็นอย่างนี้เองแบบแค่โกรธเลอ๋อกรธอย่างงี้เองเถอะ๋อมันประกอบได้แบบนี้แบบนี้ อ๋มันหลงประกอบด้วยอันนี้อันนี้จะเข้าใจกัวมันเองค่อยๆไปแต่<จ>แค่นี้แค่เปิดเปิดการเรียนเปิดใจเรียนรูน้ความเกิดขึ้นแปรปวนแตกดับของมันไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่ยเด็ให้ใจเราสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นเอ็ดต่อไปอ่ะวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลามันเข้าใจปุ๊บมันจะจบสู่ผมของมันเองนะอาจารยนี้เนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณนะครับอ๋อ ไม่รด้มีปัญหาค่าแต่อยากปราบเรียนว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะ่ะก็หลังจากที่จบภาคสองเข้าภาค3รวมก็รวบรวมเก็บตกข้อสำคัญสำคัญจากสองภาคแล้วก็รวมภาคสามไว้เป็นข้อข้ อ, ขอเหมือนกับว่าเราเซฟให้มันเป็นกติกาของเราไว้ว่าสิงเหล่านี้นะที่จะต้องทำเป็นข้อบังคับของตัวเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สัมพันก็เป็นการทําเป็นประจำโยมก็ความรู้สึกตัวเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นค่ะมันก็แบบรู้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราเน้นเน้นว่าทําอะไรทําอะไรเนี่ยเราต้องถามตัวว่าเรารู้สึกไหมรู้สึกยังไงอะ่ะที่เป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้ว เออหลักหรักมาเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเรารู้สอ น, สอนรู้รู้อารมณอีกอย่างห่ว่าอย่างที่พูดกันว่าเกิเป็นเราเห็นเราเห็นหนะค ร, รับหมออีกอีกหนึ่งลบดีมากคือส่วนในเรื่องขอ ง, องการเป็นอารมณ์อะไรที่เป็นทุกข์ใจนั้นน่ะตอนนี้เนี่ยมันหายไ ป, ปหมดแล้วที่เคยเกิดปรึกษา ขอคำแนะนาพระอาจารย์อันนั้นก็คือว่าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือให้กลับมากลับที่ฐานกายซึ่ง อ, อยู่ฟังหลายๆรอบแล้วเนี่ยเขาจำได้ที่อยู่ว่าแอบพระอาจารย์ก็เคยสอนเรื่องนี้ที่ว่าเหมือนกับเราภายเหลือแล้วมีสองขั้วคั่ะแต่อันนี้เราเริ่มเข้าใจดีขึ้นค่ะอะ อ, ะอะดีขึ้นมากแล้วก็นั่งจากว่าถ้าเราใช้ในตัวกฎเนี่ย ตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยค่ะเราก็จะได้อารมณ์ภายในเนี่ยเป็นความคิดสั้นๆแต่ว่าจำนวนมันก็น้อยมากนิยมก็อยากจะให้มันเห็นเรื่องอารมณ์เนี่ยชัดขึ้นก็เลยแยกแยกตัวกดที่เฉพาะกฎภายในเนี่ยไปเหมือนกับไปนอกบ้านมากขึ้นแล้โดยเฉพาะอย่างไปต่าดอีกมันจะมีโอกาสที่ทำให้เราเห็นเนี่ ย, ยกวางขึ้ เป็นระยะระยะเพราะว่าร้านท่าขายนี่มันเยอะมากอันนี้อยากอ่าอยากนี่จําเป็นไหมแล้วกดอยากไปแล้วก็อะไรที่อยากแต่เราเรารู้ว่าอันนี้มันไม่จําเป็นมันเกินความจําเป็นเราก็ไม่ซื้อแต่ว่าเราก็กดคือเราเห็นความอยากอะ่ะอันเนี้ยพระอาจารย์คิดว่าทำอยงใช้ได้ไหมคะเออใช้แล้วได้ใช่ได้แน่ เพราะว่าเพราะว่าถ้าอารมณ์อยู่ในบ้านเนี่ยเราเปิไปเนี่ยความคิดมันมีใช่แต่มันมันคือได้แต่ความคิดแล้วก็รู้ว่าเป็นความคิดแต่ว่าไม่มีสาระกับเราแต่เราอยากได้สาระก็คืออยากเข้าใจเรื่องความอยากเห็นตัวอยากเห็นตัวแล้วฝุกใจเราด้วยอะค่ะเด็กโยมก็เลยเริ่มตั้งตั้งตั้งใจทำแบบนี้อะค่ะอืมันมั น, มนเอ ถ้าด้อยู่แต่มันเป็นการแท่งแท่งไหมสังเกตดูดีนะเป็นการแท่งแท่งป่ะเคอหรือว่าเราพยายามหาเรื่องหารุ่นหาเรื่องน้นเรื่องทาเรื่องนี้ทําเรื่องนั้นทํำไหมแทนที่ว่าเราจะปล่อยมันนั่นสิแต่ว่ามันจะไม่มีตัวเอกมันจะไม่มีจํานวนกดภายในเลยอะค่ะถ้าอยู่ในบ้านเดี๋ยนี้ทีนี้ตอนนี้นะตอนนี้ถ้าเราเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ตอนเนี้ยเราอยู่ถึงอีปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกดแล้วก็ได้โยก เ, เป็นสิบอ๋อค่ะเนี่ยฮึโยกเป็นสิปล่อยเลยค่ะปล่อยให้ทุกเกิดขึ้นเองเลยทีนี้เดี๋ยวนี้เราเริ่มชำนาญแล้วเพราะไอ้ตัวกดเนี่ยจะเป็นตัวเป็นตัวอีกอันหนึ่งที่มันเท่ามากเข้ามากเข้าปุ๊บ ม, มันมีกำลังสูงเนี่ยมันจะตัดควารรมคิดตัดอารมณ์ไปอ๋อ ม, มันจะเป็นกำลังของสติแล้วก็สมาธิมากขึ้นจากการทำของเราเนี่ยนะ เพอสังเกตกว่าเราได้เห็นอะไรแล้วเราก็กดเห็นอะไรแล้วก็กดทั้งที่ว่าเราแค่ต้องการาาให้เห็นแล้วรู้ตามหลังที่เฉยว่าเออในรู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้ลแล้วนะทีนี<ม>้ถ้าข้างนอกเหมือนกันให้มันคิดแล้วเรารู้ให้มันเกิดความอยากแล้วเรารู้ให้มันเกิดความให้มันเกิดอารมณ์อะไรก่อนแล้วเราค่อยรู้ไปเนี่ยถ้าเรารมแผ่นสีลองลองไม่กดตัวสิเดี๋ยวข้างในจะขึ้นมาเองอจะเริ่มขึ้นนจะเริ่มขึ้นข้างในจะเริ่มขึ้นมา ที่ปล่อยให้เขาขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตามแบบเหมือนเหมือนเราที่ไปข้างนอกอ่ะเราตั้งใจไปข่ข้างนอกใช่ไหมให้มัน<ช>เกิดความอยากออกแล้วเราค่อยกวดทีนี้จงเป็นสีไปตั้งประเด็นอย่างนี้มากเข้า่าเข้าเดี๋ยวเราไม่เห็นตัวองค์อารมณ์อื่นเฮ้ยฉันตั้งใจอยากฮน ะ, ะแต่บางครั้งเนะี่ยไม่ใช่อารมณ์อยากนะบางทีอารมณ์อยากรู้ความอยากต่าหาที่กําลังเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้มันอะไรอย่างนี้ไหมเอออารมณ์อยากรู้อ่ะ อยากรู้ว่าเราจะอยากสักเก่ยทั้งอันนี้เป็นอารมณ์อันหนึ่งนะที่มันกำลัง จ, <Paige. S 1> จะหาวิธีกาอยากรู้ความอยากที่จริงมันเป็นความอยากที่จะสร้างให้เรารู้นึกว่าเราไปรู้ความอยากแล้วนะเราชนะความอยากแล้วนะเราทันความอยากแล้วนะแต่เรากลับไม่ทันอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นมาคืออารมณ์ความอยากที่มันสร้างให้เราไปหาความอยากงงคํานี้ไห ม, ไมอย่าลืม ไม่ง้อเมื่อถ้าไปทำอะไรมาปุ๊ไอ้นั่นลแหละคือตัวแสบอันนี้อันนี้อันนี้แสรแซงอ้นั้นแหะคือตัวแสบทำให้จิตถ้าไม่มีอะไรทําให้จิตมันเฉยเฉยเฉยอยู่กับปกติอยู่กับออปกติแต่เม่อไหร่บผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บให้เช็คดีๆว่าไอ้ปกติไปอย่างนี้นะผิดปกติไปอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าธรรมนานในการรู้ตัวปกติรู้ปกติมาเข้าว่าเข้าวปุ๊บพอผิดปกติว่าหนึ่งปุ๊บไม่จะรู้ แล้วจะกลับมาปกติคือไม่มีอะไรก็รับรู้แบบไม่มีอะไรเพราะตัวรู้จริงๆยังไม่มีอะไรนะมันแค่รู้จริงๆนะมันเป็นปกติมันแบบนั้นไม่มีการแทรกแซงไม่มีการจัดการไม่มีการควานหาไม่มีการตั้งทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นเลยอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าก็รู้ไปเฉพาะหนะ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรอยู่ลงลูกโ ป, ง ป, งปง่ง ส, สบายๆไม่เงียง้ยอันนี้โอเคค่ะค่ะ อลองฝึกดีๆนะได้ก็ฝึกแค่ฝึกตอนเราไม่ต้องไม่ต้องไปค่อยกดมันหรอกแค่รับรู้แต่แต่เราไม่กดนะแต่เรารู้ตามแบบเดิมให้เกิดก่อนเรารู้ให้เกิดก่อนเรารู้ให้เกิดก่อนเรารู้แบบนี้เอาตัวนี้ไปและไอ้ตัวรู้ที่มันรู้อย่างปกติอารมณ์ก็เกิดตามปกติตัวรู้ก็รู้อย่างปกติตัวคิดอารมณ์ความคิดนี่ก็เกิดอย่างปกติตัวรู้รู้อย่างปกติเข้ามันไม่มีการแทรกแซงไม่มีการทะเลาะอะไรกันทั้งสิ้น แล้วเดี๋ยวก็หายไปเองครับปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการเราจะไม่จัดการแล้วเหนื่อยมากพอแล้วหยุดไปแล้วห <c oughs> ยุดนิดนี้แค่เหนื่อยมากพอแล้วปล่อยให้<ข>จัดการอ๋อไมใ่ใช่หรอขอบพระคุณค่ะค่ะค่ ะ, คะอ้าใครมีอะไรอีกมาใครมีป <c oughs> ัหาไหมที่อยากถาได้ยินไหมค่ะ อเออเออมีคำถามอยู่ครับพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกก็ทีเมื่อกี้พดอพดีโยมฟังไปดวยโยมเดินไปด้วยโยมก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าทาแบบรู้สึกตามหลังนิดนึงมันจะนจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเราเดินแล้วเราก็ค่อยรู้สึกตามหนังนิดนึงน่ะจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอที่เราอยากจะดูว่าเออ เป็นหุ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออแยกมันตึงคือไรว่าเหมือนกับว่าเออมันเดินแล้วเราก็รู้มันเดินหรือยังไงอะ่ะคื อ, อแต่ตอนหลองพยายามที่จะบอกว่าเอะเราทำยังไงนะที่พระอาจารย์ก็สอนกันว่าดูเหมือนเป็นระเดินนดูเหมือนเป็นหุ่นมันเดินอยู่นะแล้วก็ทํำยังไงแล้วก็ไม่รู้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่เมื่อกี้เราทํารู้สึกว่า เราร sí yeah, really sure really yeah. yeah. uh ู้สึกตามหลังมันช้านิดหนึงมันไม่รู้ว่ามันฉกถูกจริงหรือเปล่าเร้ไม่รู้รู้สึกเลยว่าเป็นคล้ายๆมันเออมันเป็นอย่างนั้นแหะมันไม่รู้ว่าถูกเลยครับเราซ้อมกันแตงแต่ตัวกดแล้วที่เราซ้อมกันมาแต่แต่ตัวกดเลยนะตัวกดทุกครั้งที่เราซ้อมมาจากตู่น่ะเช่นมันเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนเรารู้ตามหรือกดรู้ตามแต่เราไปกดเองดัง้เราไปกดขึ้นมาแล้ตอนเราลดตัวกดเดี๋ยวค่ะแต่ว่า ทีเนี้ยเราจะเกิดกับว่าเราไม่ได้ยินเสียงโอเคมันก็จะละเวลาโอเคได้ยินเสียงเราหดที่หลังมันอะไรใช่เวลาเวลาเราเดินไงครับเวลเราเดินก็คือเข้าใจอยู่แล้วเราเวลาเราเดินแล้วก็เหมือนว่าเราก็ต้องรู้รู้เดินปุ๊บทันทีแต่ถ้าเรารู้ต่ำหน่อยนิดนึงมันก็เหมือนว่ามันจะแยกแยกตัวให้ออกมาเป็นว่าเป็นตัวนี่อีกคนเอาเป็นคนอีกแล้วกับเส้นต เปนอย่ี้ยคล้ายๆทำแบบนี้มีความรู้สึกนิดหนึ่งอันเออใช่ใช่ตัวกายมันจะเป็นตัวแสดงตัวใจจะเป็นดูอย่างเงี้ยเพื่อตัวใจที่ดูตามหลังนี่แหละตัวใจเป็นตัวดูตัวกายที่นําหน้าเนี่ยจะเป็นตัวแสดงแสดงพฤติกรรมอะไรของมันเราก็ดูไปถูกแล้วถูกแล้วอือล้วหัดจะนี้บ่อยๆหัดจะนี้ให้บ่อยๆนะ อว่ามีาตมแต่แบบว่าเรารู้เข้ากับมันไงเวลาเราเดินแบบก็เหมือนเมอนสมอเดินเราตั้งใจใช่ไหมคะอันนี้เหมือนว่าเหลังมันนิดนึงนิดหนึ่งเนี่ยเออแล้วยองมีต่อไปจะสังเกตเห็นว่าการเดินจงโกงของเราเนี่ยหรือการสร้างจังหวะของเราเนี่ยไม่ต่างจากการถ้าการสร้างจังหวะนะไม่ต่างจากการเอาแขนตักน้ํารดตัวหรอกหรือเอาเอาเอ า, เอาอะไรเอาเือตักข้าวใส่ปากเนี่ย มันจะเหมือนกับการซากจังหวะเลยเพราะว่ามันรู้ตามหลังให้มันตักข้าวใส่กอดแล้วค่อยรู้ตักข้าวใส่กอแล้วค่อยรู้เคลื่อนก่อนแล้วค่อยรู้หรือการเดินของเรานะมันเดินตรงคงหรือกับการเดินไปนั่นเดินมานี่ใดินเข้าห้องน้ําเนี่ยมันจะรู้เหมือนกันหมดเลยว่ารู้ตามหลังตลอดเลอันเนี้มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยการปฏิบัติเลยว่าในรูปแบบนอกรูปแบบมันจะเหมือนกันหมดเลย มันจะมันก็ได้อะไรมันจะมันจะสมูทหรือมันจะอะไรที่มันคล้ายๆกันนะไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าเราทําขึ้นนะมันจะมีความแตกต่างจะมีความแตกต่างเออจะมีความแตกต่างอยู่ฉันหัดอยางี้แหะดีแล้วรู้ต่อแต่ขยันหน่อยต้องขูเราเนี่ยขี้เกียจโอเคขยันหน่อยสบายและขี้เกียจเรขยันหน่อยเนี่ย ขยันหน่อยขยันหน่อยขยันบ่อยบ่อยรู้เล่นเล่นแต่ให้ด้วยบ่อยรู้อย่างเงี้ยจะสบายมันอะไรก็ได้โอ้ได้ยินเสียงก่อนแล้วรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเอาแค่รู้พอเอาแค่รู้พอเอาแค่รู้หัวเรื่องพอไม่ต้องไปเข้าในเรื่องเรื่องปล่อยผ่านไปล่อยผ่านไปรื่อเออเออเข้าใจเนาะเอาวันนี้เอาแค่นี้เนาะหรือมีใครมีปัญหาอีกไหมมีไหมอยากถาม ขั้นตอนที่สามเนี่ยขั้นตอนที่สาม่ะพยายามแล้วกันพยายามลดการแทรกแสงลดการจัดการจะเปิดใจยอมรับเปิดใจยอมรับสู่การเรียนรู้เรียนรู้ได้แค่ไหนตอนใหม่ๆได้ ร, รู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นแปรปวนแตกดับไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆสะสมไปแล้วก็สังเกตจิตของเราเองอะ่ะที่มันเริ่มลดการแทรกแสงขึ้นไม่มีการจะไปแทรกแสงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้น ปล่อยให้ทุกอย่างก็เกิดเองเขาเขาหายเองเขาแต่เราก็รู้เราไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเรื่องเรื่องแยกกันส่วนนั้นเป็นส่วนของเขาส่วนอารมณ์ภายในเป็นส่วนอารมณ์ภายในส่วนอารมณ์ภายนอกส่วนอารมณ์ภายนอกส่วนอารมณ์รู้ก็เป็นส่วนอารมณ์ของเราที่เราสะสมไปมันจะเริ่มเห็นความแยกแยกขาดจากกันกันเรื่อยๆที่มีเกี่ยวข้องกันมันอาจจะมีตัวรู้อยู่แล้วก็มีตัวคิดด้วย แต่ก็มีตัวที่ยินเสียงอยู่ด้วยแต่ตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ไอ้สองตัวนั้นไอ้ตัวคิดตัวนึ้หรือตัวที่ยินเสียงตัวร่างกายก็แสดงไปตามเหตุการณ์ของมาันแล้วก็สลายไปตามเรื่องราวของมาันเราเป็นแตกคนว่าเราจะชํานาญมากขึ้นนะทําบ่อยเข้าบ่เข้าเราจะชํานาญในการเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นตรงนี้แหละคือหัวใจที่เราจะพัฒนากันอย่าไปเป็นผู้เป็นอย่าไปเป็นผู้จัดการ อย่าเป็นคู่แทรกแซงอย่าเป็นคนเอาถูกเอาผิดก ja, ับมันอย่าเป็นคนเอาดีเอาไม่ดีกับมันตรงเนี้ยเป็นหัวใจสาคัญขอให้ทุกคนฝึกฝนเอานะเราอมธนาสาุทุกทุกคนเออรับค่ะน้อระภาค่ะดีค่ะบคจารยัสดีคค่ะอาจารย์